เดินศีลกุศลอย่งไรให้ถูกแล้วเขาหลีกเล้นและจะเจริญภาวนากุศล ก, กันยังไงจะให้ถูกนะกิจกรรมในสมัยขังพุทธการเขาทากันแบบนี้แปลว่าเขามีความเข้าใจดีเวลาฟังธรรมที่ไหนเขาถึงตั้งใจฟังอย่างอเอะอูเลยเพราะอะไรเพราะนั้นแหละเป็นอาหารของปัญญาความเข้าใจแล้วเขาจะได้ให้ทานถูกก็ได้วางใจในทานกุศลถูกให้สังเกตดูนะว่านาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยเวลาท่านเดินทานกุศลเนี่ยท่านมีความตั้งมั่นมาก เดินทานกุศลขนาดรัพย์ร้อยหลอไปต้งเกศถูกไหมท่านเดินทานกุศลคําว่าทานกุศลแปลว่าอะไรรูกไหมหนึ่งอริยาสาวกที่ได้ซัพย์สมบัติมาเป็นเสร็จแล้วด้วยความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยแสวงหาทรัพย์มาด้วยความหมั่นด้วยเรียวแรงด้วยลําแข้งอาบเหงื่อต่างน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทำเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุขแล้วนะข้าก็คือสละนะสละบูชาคุณของพระรัตนของพ่อแม่ให้พ่อแม่ให้เป็นสุข ให้บุตรหลานญาติมิตรให้เป็นสุขให้เพื่อนฝูงให้เป็นสุขให้บ่าไข้ให้เป็นสุขเห็นไหมให้คนที่ร่วมกิจการงานทั้งหลายเป็นสุขนั้นท่านเข้าใจทานกุศลชัดเราเข้าใจไหมว่าเราเกิดมาในครอบครัวใดไปเสร็จเราได้เจริญทานกุศลในครอบครัวด้วยเนี่ยเพืมีชาวพุทธสกีคนที่มองว่าไปทานกุศลก็มีวันหน้าที่หน้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไปแสวงหาทรัพย์แทบ ล, ล้มประดาตายเนะ เริมตายนะบางคนเนี่ยขับรถเนี่ยจิตก็มุ่งอยู่นั่นแหละหาทรัพย์มาไม่ต้องมาดูแลยิ่งมีลูกเลยโอ้โหนอนไม่หลับนั่นเป็นทานกุศลได้ไหมท่นวางจิตไม่ถูกใช่ไหมเระที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทานกุศลไหมรเรแล้วเคยคิดไหมว่าจริงๆเป็นทานกุศลนั้นเป็นทานยังไงเป็นจารีตศีล ย, ยังไงแล้วจิตใจผ่องใส ย, ยังไงเชื่อมั่นในคุณของพระราชนัตรตยอย่างไร จิตออกจากบาปอกุศลถ้าทำมันลามกอย่างไรแท้ที่จริงถ้าคนเข้าใจบริบทของชีวิตเนี่ยการปฏิบัติในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตนะแล้วเวลาฟังทำเขาฟังแล้วเขาเข้าใจไงพอเข้าใจเบอร์เสร็จเนี่ยนั้นเวลากิจกรรมทานอกุศลอย่างเช่นานาถาปินิกาเนี่ยให้ทานไปให้ทานไปพอทราบหมดานาถาไม่เคยเศร้าใจเลยเนะมีแม่นาถาปินิกาท่านร้องไห้ไม่มีท่านไม่เคยร้องไห้ เพราะท่านหนึน่งท่านญาติเอเลี้ยงพ่อแม่เป็นสุขท่านทําบุตรภรรยาท่านเรียบร้อยด่าวไพ่เป็นสุขเพื่อนปูงให้เป็นสุ ข, สขท่านให้ท่านสละมาตลอดแล้วต่อมาก็คือท่านทําพีกรรมห้าอย่างญาติพีสงเคราะห์ญาติต้อนรับแขกบํารุงเทวดาเป็นตัวเหล่านี้ข้าราชการตั้งหลายจ่ายภาษีอกรท่านก็มองเป็นทานกุศลเราเคยเชิดไห้จ่ายภาษีอกรแล้วเป็นทานกุศลเนี เราคิดว่าเราเสียเราเสียใช่ไหมล่ะชีวิตมันไม่ได้เป็นทานกุศลจริงไงของเราเนี่ยมันไม่ได้ยาฤกษ์ศีลเป็นไงเพราะความไม่ตั้งมั่นในพระราชนัดใจเราถึงคงการปฏิบัติธรรมะถึงมันถึงติดขัดกันอยู่เนี้ยถึงติดขัดทีนี้เมื่อเบีดเสร็จก็ที่ท่านจักไม่ลืมเลยก็คือว่าทรัพย์ที่มีนั้นบำรุงทักษิเนียบุคคลอันสูงสุด ในพระศาสนาของพระจีนเจ้าถ้าท่านทําอย่างนี้จนบริบูรณ์เบ็เสร็จแล้วทั้งกายกรรมก็เป็นทานวัจีกรรมโนโกรรมเป็นทานกุลนศลกายกรมโโกรมเป็นศีลวจีกรรมโนกรรมเป็นศีลเป็นต้นเลยนะกายกรรมเป็นภาวนาวาจีกรรมโนโกรรมเป็นภาวนานี่ในรายละเอียดเดี๋ยวก็ไปแยกแยกอีกทีนะถ้าท่านทําจนบริบูรณ์แล้วพอทําตรงนี้บริบูรณ์เบ็เสร็จปุ๊บรัพย์นั้นหมดไป ท่านทุกใจไหมอริยาสาวกหรืออนาถาท่านทุกใจไหมทรัพย์หมดท่านไม่ทุกข์หรือถ้าทรัพย์มันจะเพิ่มขึ้นท่านก็ไม่ได้ไปกังวลอะไรเลยเพราะท่านถือว่าทรัพย์ทานกุศลท่านก็ทำมาดีแล้วคว า, ามตั้งมั่นในพรรัตนาไตรท่านก็ตั้งมั่นอย่างสูงสุดแล้วศรษกุศลท่านก็ประพฤติไม่ไม่บกพร่องแล้ว เนี่ยภาวนากุศลท่านก็มาเจริญอนุสติได้อย่างมั่นคงจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้ท่านจึงไม่เดือดร้อนเลยที่ซั์มันจะหมดหรือซัพย์มันจะเพิ่มฟูขึ้นทีนี้สิ่งที่ตามมาคือตอนที่อนาถาท่านทรัพย์หมดไปหมดไปหมดไปเทวดาในวับในบ้านของท่านเดือดร้อนเริ่มไปบอกกับคนใกล้ชิดของท่านคนใกล้ชิดก็ไม่บอก ท่านก็ไม่หยุดกิจกรรมในการให้ไม่หยุดกิจกรรมในการให้ทานที่ให้กับพ่อแม่ให้กับบุตรหลานญาติมิตรให้กับบริวารโดยทั่วๆไปเริ่มเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงจนท่านต้องกินน้ําต้มผักดองนะแต่ทานที่เหลือไว้กับพระรัตนตรัยบูชาพระเจ้ยายังเป็นของดีอยู่ท่านกักไว้เก็บไว้เห็นไหมท่านรู้จักแกะแจงว่าท่านมีศีลระดับไหนระดับไหนก็ให้ทานเป็นไปตามระดับที่ถูกต้องหมดเลยนี่คือความฉลาดเนาะ แต่ท่านไม่เคยกังวลหรือหวั่นไหวเลยต่อมาจนเทวดามาแปลงกายบอกบอกว่าท่านเสด็จีเกินกว่าเหตุแล้วท่านทาเกินกว่าเหตุท่านน่าจะคิดถึงคนในบ้านบ้างท่านน่าจะคิดถึงตนเองบ้างท่านน่าจะคิดถึงบุตรบริบาลญาติบิดบ้างจะพากันอดนี่ท่านก็ถามว่านี่เป็นใครออเป็นเทวดาจะบอกถ้าอย่างนั้นนับตั้งแต่วันนี้ ท่านจงออกจากขึ้นหาทวงเราอย่ามาเป็นเทวดาประจําบ้านเราเอาเราซีทีหนึ่งไหมนี่เพราะอะไรเนี่ยเพราะเป็นบุคคลที่มาเป็นปาปามิเป็นมิตรชั่วมาทําให้สภาพกระแสะชีวิตของเราเนี่ยจะคลอนแผนในพระราชนะแต่ิร์นฉะนั้นท่านไม่ควรอยู่ถึงบอกว่าตรงนี้ตรงนี้ชี้อะไรเห็นชี้บอกว่าที่ท่านให้อย่างเนี้ย ท่านเข้าใจอะไรอ่ะท่านเข้าใจอะไรท่านเข้าใจชีวิตท่านมองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นแล้วเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงของมันด้วยปัญญาทรัพย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อย่างบะ้ะเนี่ยเนี่ยที่ที่ยอมสํารวยเนี่ยมีบ้านมีที่อยู่เนี่ยถ้ามันถึงการเวลามันจะวิบัติเนี่ยมันก็หมด เนี่ยถ้าแผ่นดินกระดิกตรงนี้ไม่เหลือนี่ไม่เหลื อ, ลอถ้าบุญหมดกําลังเมื่ อ, อไหร่ท่านรู้ไงถ้ากําลังบุญมันหมดเนี่ยรักษาจะไป น, นู่นหรือฝากไว้ในธนาคารชาติตราทานต่างประเทศฝากไว้ในกองทุนเงินทุนหลักทรัพย์ขนาดไหนก็พังมันพังทั้งประเทศถ้าบุญหมดกำลังเมื่ อ, อไหร่นะท่านรู้อ้ ท, ทรัพ ย, ย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายญาติมิตทั้งหลายมันเป็นผนของบุญ ท่านจึงให้ความสําคัญที่ตัวเหตุมากกว่าตัวผลเมื่อสร้างเหตุแล้วท่านจึงมั่นใจว่าเหตุบริบูรณ์แล้วเนี่ยผลมันบริบูรณ์เองไม่ใช่ไปยึดไอตัวผลแต่ไม่ยอมประกอบเหตุที่ถูกต้องเป็นละเลยเหตุที่ถูกต้องเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกฉลาดในเหตุและผลเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงท่านก็ที่สุดจริงๆอ่ะพอกุศลของท่านมีกําลังมากขึ้น สถานการณ์ความรวยมันก็กลับมานี่ไงถามว่าถ้าชีวิตเราจะต้องเจออย่างนั้นเนี่ยเราคิดไว้ไหมว่าเราจะตั้งมั่นในกุศลเม้ทานกุศลแม้สีนกุศลก็จะไม่ก็จะก็จะเดินอย่างต่อเนื่องจะไม่เสียเจตนาในทานในศีเป็นต้นเลยเราคิดไว้ก่อนบ้างไหมในชีวิตของพวกเราคิดไวมหมจารดาคิดไหมมันต้องคิด เพราะชีวิตมันหาความแน่นอนได้ที่ไหนแล้วกระแสชีวิตเนี่ยมันฉะนั้นพระรัตนาตรัยเนี่ยเป็นสาระเป็นเครื่องกาจัดภัยได้เพราะท่านผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยก็เข้าถึงพระธรรมแล้วก็แนบสนิท ก, กับพระธรรมแล้วเห็นความสําคัญของชีวิตเห็นความสําคัญของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยชีวิตจริงๆเนี่ยนะชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นผลของบุญไม่อยอม ที่มีชีวิตยอยู่ได้นบุญรักษาใช่ไหมเออบุญรักษาถ้าหมดบุญเมื่อไหร่ชีวิตขาดเมื่อนั้นไหมฉะนั้นเมื่อบทบุญเมื่อไหร่ชีวิตก็ดับเมื่อนั่นแหละทีนี้ว่าถ้ามองอย่างนี้นะว่าทรัพย์เนี่ยก็เป็นผลของบุญอวัยวะทุกชิ้นก็เป็นผลของบุญญาติมิตรทั้งหลายที่ดีทั้งหลายก็เป็นผลของบุญแต่อย่าลืมนะว่าถ้าบาปให้ผลนะญาติที่เคยดีเขาก็แตก แต่จะผลบุญให้ผลญาติที่ไม่ดีก็กลับมาดีสังเกตดูนะที่นั้นอย่าไปยึบที่ตัวญาติอย่าไปเจริญญาติแต่ให้เจริญบุญอย่าไปเจริญทรัพย์ให้เจริญบุญอย่าไปเจริญอวัยวะเช่นออกกินกินกินให้อวัยวะเจริญไม่ใช่แต่จงเจริญตัวกุศลเนี่ยให้เจริญให้ตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวเมื่อเจออุปสรรคแล้วชีวิตจะประสบความสาเร็จจริงตรงเนี้ย ไอ้ความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตรงเนี้ยทีนี้พอพอสมมุติว่าพอกุศลมันให้ผลมันออกมาเป็นอวัยวะที่งดงามมาเป็นทรัพย์ที่บริบูรณ์หรือญาติมิตรที่ดีงามทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็อย่าประมาทหลายคนเพียงแค่กุศลให้ผลแป๊บเดียวก็เอามาตั้งเป็นราคาคุยอยู่นี่แหละทั้งๆั ท, งที่ตัวเด่นก็ยังไม่แทงตลอดสัจจะเลยเลยมันยังไม่จบกิจกรรมของกระแสชีวิตมันไม่จบแค่นั้น ตัวอย่างอย่างเราเราอย่าเพิ่งยกมาเล่าเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจริงเพราะยังไม่แทงตลอดสัจจะเข้าใจไหมถ้ายัางประวัติของนางวิสาขานี่ยยกมาเล่าได้เพราะท่านเป็นภรรยาแล้วท่านไม่ลงอบายภูมินะแต่พวกเราสมมุตินะเราหูขยันมันเพียรแล้วได้ทราบมาเนี่ยตรงนั้นอย่าเพิ่งเล่าเพราะชีวิตยังไม่จบเพราะยังไม่แทงตลอดสัจจะแล้วพ้นจากอบายภูมินะเ้าเรียกเป็นชีวิตเพยียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นถ้าจะเล่าก็เล่าอย่างหวาดเสียวเพราะว่า เข้าใจไหมเราถามรองถามชีวิตที่สมมุติเรามีทรัพย์อย่างล้นฟ้าเลยเนะี่ยเป็นเจ้าของโลกใบเนี้ปกครองพอไปปกครองโลกใบนี้ปกครองประเทศเนี้ยแต่ชีวิตเสี่ยงการเกิดในใบภมูมัมันมัน ม, มันมีค่าไหมเนะี่ยชีวิตมันมีค่าไหมมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะชีวิตหลังตายแต่ลงไปเป็นสัตว์ในโกเนี้ยเออ อโยคระราชคุมารทำไมท่านถึงประพฤติพรหมจรรย์รู้ไหมท่านอยู่ในคันสิบเดือนออกจากคานท่านก็ถูกพ่อขังไว้ในปร า, าสาทเพราะกลัวยักษ์ซีนีจะกินเอาอีกสิบหกปีต่อมาพระราชบิดาบอกว่าจะจะมอบราชาบัลลังก์ให้ พออายุสิบหกแล้วก็พาเรียพนาครพอท่านเห็นป่าเขาลำนาวไผ่ท่านคิดถึงอะไรท่านคิดถึงการประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐท่านกลับไปหาไปกราบทูลพระราชบิดาบอกว่าข้าแต่พระราชบิดาข้าพระเจ้าอยู่ในคันสิบเดือนประดุ ด, ดังอยู่ในคูฐานนรกคือนรกอุจจาระสิบเดือน ออกมาต้องถูกพ่อเนี่ยกักขังบริเวณเนี่ยเพราะพ่อกลัวว่าจะถูกยักกินในยุคนั้นสิบหกปีประดุดดังถูกขังในอุษาณโรกนละละนรกที่เท่าร้อนเนี่ยอันนี้แปลว่าท่านละลึกได้ใช่ไหมเนี่ยท่านละลึกได้ท่านถึงละลึกบอกว่าสัตว์ที่ถูกขังเนี่ยมันอยากจะดิ้นอยากจะออก นกที่อยู่ในกรงนะ่ยมันอยากออกจากกรงหรืออยากอยู่ในกรงงูที่อยู่ในที่คุมขังนักโทษทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันไม่อยากอยู่หรอกเพราะโพธิสัตว์ท่านถึงคิดไงบอกว่าคบไม่น่าอยู่ในวตานี่ไม่น่าอยู่มันเดือดร้อนเดี๋ยวความแก่ก็มาเบียดเบียนใช่ไหมความเจ็บก็มาเบียดเบียนลองมาพิจารณาดูนะบอกว่าเราห้ามชีวิตได้ไหม ตอนที่เป็นกะละละเนี่ยตอนจุดเล็กๆเนี่ยตอนถือปฏิทินที่ครั้งแรกนะเราห้ามได้ไหมไม่ให้มันพ้นจากความเป็นกะละละตรงนั้นไม่ได้ไล่มาตามลําดับเนีพอเริ่มมีปุ่มห้าปุ่มในท้องในครรภ์ของแม่เนี่ยเราห้ามได้ไหมไม่ให้มันพ้นจากภาวะตรงนั้นก็ไม่ได้อีกกระแสชีวิตแปลว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ แต่เราทำไมไม่เรียนรู้ความจริงของโลกและชีวิตตามที่มันเป็นใช่ไหมก็มันก็เปลี่ยนก็มันอยู่อย่างนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเราจะฝืนความจริงของชีวิตและโลกนะทชนี้ไอาการเข้าใจมีสองส่วนโมหะเข้าใจได้ไหมยังสมดุลโมหะเข้าใจได้ไหมลูกโมหะเนี่ยมันเข้าใจชีวิตได้นะไม่ใช่ไม่ได้อันนั้นก็ไม่เที่ยงไอ น, นี้ก็ไม่เที่ยงไอ น, นี้ก็เป็นทุกข์มันรู้หมดแหละโมหะเนี่ยเหมือนปัญญาเปียบเลย แต่มันรู้แล้วมันรู้แล้วมันปล่อยวางไม่ได้จริงปากพูดวู้ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากนะแต่พอสิ่งนั้นเกิดจริงๆเลยเครียด ท, ทุกข์บางทีก็ไม่กล้าบอกคนอื่นแง่ไปทุกข์คนเดียวทรมานใจคนเดียวยึดติดคนเดียว แล้วต่อมาก็บอกคนอื่นว่ามไม่คิดอะไรมากไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวไปคิดอะไรเยอะมันไม่เที่ยงตายหมดแล้วเกิดก็ตายหมดแล้วอันนี้มันใช่ปัญญาจริงไหมมันไม่ใช่ปัญญาจริงนะถ้าปัญญาจริงๆเน่ยมันไ ม, ม่ยึดมั่นมันละจริงๆเลยนะฉั้นตรงนี้ก็พระโพธิสัตว์ท่านยิงเห็นโทษไงว่าเอ อ, อ ก, การถูกคุมขังเนี่ยจากการถูกพบขังเขาไว้เนี่ยมันเหมือนกับการอยู่ในหลุมอุจจาระนี่ย ถ้าสลัดตรงนั้นออกมามาอาบน้ํามันจะสะดวกกว่ากันตรงนี้ก็คือว่าต้องการชี้เห็นว่าพระราชนไตรเนี่ยพุทธราชนาถมารราชนาสังครัตนาสังครราชนาเป็นเครื่องกํำจัดภยัยทําให้ส ก, การะเมียโนยนิ่มีผลมากมีอธิสงมากเพราะท่านเห็นตรงนี้ไงกลุ่มที่อุบาสกบาสิการในสมัยครั้งพุทธกาลถ้าจิงสลัดถึงบูชาพระราชทนไตรัได้ทุกอย่างอันนี้แปลว่าท่านท่านแนบสนิทและแนบแน่นแล้ว ให้สังเกต ด, ดูนะว่าเอาดูปุถุชนเนาะพระเจ้าพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าโศกมห า, าราชเนี่ยมีความรักในพระธาตุนาไตรมากนะรักพระเจ้ามากๆแต่เชื่อไหมว่าในยามความวุ่นวายในใจเกิดขึ้นนะให้สังเกต ด, ดูนะว่าพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยสร้างปราสาทบูชาพระเจ้าแปดหมื่นสี่พันปราสาท สร้างพุทธเจดีย์บูชาแปดหมื่นสี่พันเจดีย์นะทั่วทั่วชมพูทวีปนะแล้วสร้างอะไรเยอะสัญลักษณ์ที่เหลือเกี่ยวพุทธศาสนาทุกวันนี้นั่นคือทานกุศลของพระเยาโศกแล้วมีหลักศิาลาเจดีึกแปดหมื่นสี่พันต้นเนี่ยนี่คือคือพระเยาโศกสละราชยาศรพ์หมดครั้งเลยนะบูชา เราเขียนทําไม้คนปฏิบัติกันทั้งประเทศเราลองนึกอย่างนี้นะแต่พระเจ้าอโศกเนี่ยตอนตายในลงอบัยภูมิน่ากลัวไหมที่ตอนตายในพระเจ้าโศกลงอบัยภูมิเป็นเปลตงูนะมีฉันของคำพีบางคำพีว่าเป็นเปรตงูเนี่ยอันนี้จะได้สะเทือนใจว่าตัวตัววัตถุทานอย่างเดียวเนี่ยนะกําลังของวัตถุทานอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะ ไม่พอนะฉะนั้นกำลังของเจตนาทานอโลพาคือความไม่โลภทั้งหลายสภาพของฉันทะที่มีความรักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้จิตนเองตั้งมั่นเป็นสมาธิถามว่าพระจ้าโศกเนี่ยยืนมองพระพุทธเจ้าพระจ้าโศกท่านจะมีบุญอยู่คลอง อ, อ, อ, อีกอีกเรื่องหนึ่งในที่ท่านใช้โซ่ทอง โยนก็ไปในทะเลแล้วท่านดึงได้กาลนาคาลาดมาติดนาคาลกาลนั่นล่างคาลาดมาเอาพญานาคมาบูชานะขอร้องบูชาด้วยของหอมกาลนาคาลาดเนี่ยเกิดทันพุทธเจ้าสี่พระองค์เนี่ยว่าโกกูสันทาโกนาเ้ามานากัศป่าและพระพุทธเจ้าอปัจจุบันนี้ด้วยและยังไม่ตายเลยพญานาคนี้นมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากด้วยพระเจ้าโสดก็ บ, บอกว่าขอให้ท่านก า, นาลนาคาาชช่วยเนรมิตรพระรูปของพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าได้บูชาด้วยเถิด การนาคาลาก็เื อ, อเห็นศรัทธาของพระเจ้าโศกก็เนรมิตเป็นพระรูปของพระเจ้าให้ดูโอ้โหพระเจ้าโศกมองอย่างนั้นประนมมือมองสวดพุทธคุณเนะ่ะเจดวันไม่กระพริบตายอมทำได้ไหมนี่คนที่ตั้งมั่นขนาดนี้นะแต่หลเบื้องหลังชีวิตนะเนี่ยลงไปภูมินะอย่าลืมนะจะได้หวาดเสียวชีวิตเข้าใจยัง คือแต่จริงๆท่านไปฟุง้งซานตอนตายนะอันนั้นในประวัติท่านเดีใจเหตุผลที่ท่านต้องกลายเป็นอบายภูมิเพราะท่านฟุ้งซ่านตอนตายเพราะตอนนั้นท่านถูกยึดราชบัลลังก์ใจมันตกก่อนตายอ่ะใจมันตกให้ เ, าเครารพด้วยนะพระเจ้าพิมพิสารก็โดนยึดราชบัลลังก์แต่พระเจ้าพิมพิสารไม่ลงอบายภูมิเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันแต่พระเจ้าโศกในโดนยึดราชบัลลังก์เหมือนกัน แต่พระเจ้าโศกเนี่ยลงใบยภูมเพราะใจเสียเอาตัว น, นี้ก็เราอะถ้าบ้านตายชีวิตเราจะต้องสูญเสียทุกอย่างใกล้จะตายเกิดบ้านก็ถูกยึดน้ำก็ท่วมสามีก็หนีภรรยาก็ตีจากลูกก็หนีไม่มีใครดูแลวันนั้นใจเราจะดีหรือใจจะเสีย นอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้าตายแล้วนอนอยู่คนเดียวอะ่ะถามหน่อยว่าตอนนี้เรายังคิดว่าบุตรภรรยาญาติมิตรสามีเป็นสารณะอยู่ไหมใช่ที่พึ่งทีแท้จริงไว้แล้วเราคิดถึงบุตรภรรยาสามีถึงถึงญาติมิตรเนี่ยกับคิดถึงพระเจ้าเนี่ยเราคิดถึงใครมากกว่ากัน คิดถึงใครมากกว่ากันแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆสารณะเรายังอ่อนแอรหรือเรามแข็งแรงจะได้รู้ตัวเองใช่ไหมเราคิดถึงใครเกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคิดถึงพระเจ้าหรือคิดถึงสามีบุตรภรรยาหรือญาติมิตรอันดับแรกเลยตอนนั้นคิดถึงพระเจ้าพระรัตนตรายเด่นในใจตลอดไหมเราต้องผลกใจขนาดนั้นนะ ถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดถึงพระรัตนตรัยแล้วคิดถึงบุตรบางคนพอเกิดตัญหาขึ้นมาแล้วโทหายากอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยความไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยนะตรงนี้พูดให้ฟังว่าตอนพระเจ้าพิมพิสารจะสวรรคตพระเจ้าพิมพิสารก็ถูกขังก็มองไปที่ภูเขาคิชฌกูฏ แล้วก็เจริญพุทธคุณเจริญอนุสติแล้วต่อมาก็อยู่ในสมาบัติผ่องัสเลยปลาโมดปีจีรปรสัสสทินะ ใ, ให้ไม่กินอาหารก็อยู่ได้เป็นสิบเป็นยี่สิบวันถามว่าวันนี้ถ้าเราขาดอาหารในร่างกายใจเรายังจะดีอยู่ไหมใจดีไหมถ้าขาดอาหารหนึ่งวันในใจเรายังจะนึกถึงพระราตนทรายได้มั่นคงไเอาแค่วันเดียวนี่ ไหวไม่ไหวนี่เราจะรู้จักตัวเองไงว่าจริงใ จ, ใจแล้วใจเราอ่อนแอรหรือแข็งแรงลองลองเจริญพุทธคุณดูทีว่ามั่นคงไหมไม่ต้องขาดอาหารนะเพียงได้อาหารไม่ถูกใจลพละตะนาตายก็แทบจะหายากใจแล้วใช่ไหมแค่มื้อนี้อาหารไม่ถูกใจแค่นี้จิตเสียแล้วอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ประเจาบษษาพิพสารโดนขังคุกเนี่ยหมดอิสรภาพทางกายไหมหมดไม่หมด แต่อิสรภาพทางใจมีใครไปคุมขังท่านได้ไหมไม่ได้สภาพจิตของท่านกับผ่องใสรวดแร่นในคุณของพระเจ้าเอาสิแล้วอยู่ต่อมาทำยังไงก็ไม่ตายจนลูกชายสั่งให้ช่างกระบกไปตัดฝ่าเท้าใช้มีดโกนตัดขวาเท้าที่แรกท่านนึกว่าโอ้จะมาลูกคงจะระลึกได้มั้งคงจะปล่อยเรามั้งใช่ไหมมาไปเสรเออลูกคง บอกว่าไม่ใช่หรอกขอเข้ามาพระเจ้าเป็นดินแล้วก็บอกว่าพระเจ้าชาติศัตรูมีคําสั่งให้ตัดป่าเท้ากลุ่มพวกที่จะมาตัดช่างกนระบอกก็บอกว่าข้าพเจ้ากลัวบาปแล้วเกินพระเจ้าพิมสารท่านบอกว่าท่านทําไปเถอดจงทําตามคําสั่งของพระเจ้าเป็นดินของท่านบาปไม่เกิดกับท่านหรอกเพราะท่านไม่ได้มีเจตนาท่านวางจิตให้เป็นท่านวางใจให้เป็นท่านไม่ได้ทำปนานนติบาต ท, ท่านไม่ได้ทําเบียดเบียนนะ แต่ท่านทำเนี่ยไม่ทำไม่ได้ท่านให้ถือทำตามหน้าที่แต่อย่าไปคิดว่าท่านจะฆ่าเราถ้าท่านคิดว่าท่านจะฆ่าเราเนี่ยใจของท่านจะเป็นปณนาิบาตินะ ว, วางใจได้ไหมเนี่ยแล้วฉลาดในการวางใจในเรื่องการงดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ไหมทำไปด้วยการที่ไม่ได้คิดว่าจะทำให้ท่านผู้นี้ตายเนี่ยวางใจยากมากนะ ถ้าม่ฉลาดในการวางใจจริงๆใช่ไหมลูกพอตัดฝาดเท้าไปเสร็จก็ลายงานพระเจ้าเป็นพิสารอีกว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้พระเจ้าเป็นดินยังให้เอาไม้ตะเคียนมากรองแล้วเผาไฟแล้วก็เอาเท้าท่านย่างเท้าท่านด้วยพระเจ้าเิ็นพสารก็ทําตามพระเจ้าเป็นดินเถอะ บาปไม่เกิดกับท่านหรอกขอเข้ามาแล้วก็ต้องทําพอไหมใหม่ก็ปลาโมดเกิดนะแต่พอไฟเริ่มไหมไหม่ๆไม้ตะเคียนไม่นานขนาดไหนอะพอเริ่มไหมเท้านะเข้าสภาพร่างกายที่มีปลาโมดพิติก็เหียวเหี่ยวเหียวเียวเหี่ยวเฉาแล้วท่านจะสวรรคตแต่ด้วยความที่ท่านเป็นพระโสดาบันไงจิตติจิต ท, ท่านปฏิสนธิจึงกลายเป็นเทวได้ท่านเกิดเป็น ชนะวสภพยักษ์เป็นบริวารของเทเวีสุวรรณเป็นเทวดาประเภทหนึ่งนะแต่อยู่กลุ่มตระกูลยักษ์นี่จะเป็นพระโสดาบันนะแต่เป็นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะเป็นเป็นพระโสดาบันไม่ลงอบาอยภูฒิแต่ถ้าเป็นเราถูกทรมานอย่างนั้นเราจะไปไหนจะไปไหนโทสะเกิดไหมตอนนั้นนะ โทรศัพท์เกิดแล้วก็ลงอบายภูมิไปเอาถามว่าชีวิตของเราจะต่างกับพระเจ้าพิมพ์ิสานไหมตอนที่เราเป็นนอนอยู่คนถ้าเป็นมะเร็งมีคนเป็นมะเร็งนอนยิ้มได้ไหมมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นโรคตับเป็นโรคปอดระยะสุดท้ายจะทําไงก็จะทํายังไงเนี่ยแล้วประกันได้ไหมเนี่ยชีวิตเราเถ้ากรรมนั้นให้ผลตรงเนี้จริงต้องฝึกไว้เสียรียบฝึกเสียเมื่อเรารู้ว่าจิตของเรานี่อ่อนแอ เห็นหเห็นไหมว่าเนี่ยลายลายนี้ไม่ลงใบพูมินะเพราะท่านเป็นพระอริยะแต่พระเจ้าโศกพอตอนเบินฟ้าก็โดนยึดอํานาจไปเสร็จปุ๊บตัใกล้จะตายได้ปกครองผลมะขามป้อมถามอามาถามคนดูแลว่กตอนนี้เรายังเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไห้ยังเป็นพระเจ้าค่ะทําทไมเราทําบุญเหมือนเก่าไม่ได้แล้วทําไมทําไม่ได้อยากจะให้ทานอยากจะบูชา เนี่ยตอนนี้เราครอบครองผลมะขามป้อมอยู่ผลเดียวเท่านี้แล้วว่างั้นเนีะท่านจงเอาผลมะขามป้อมเนี่ยไปให้กับพระพิจารณาดูรู้เนี่ยอโศกมหาราชที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรทําบุญสร้างสตูปแปดหมื่นสี่พันสตูปเป็นต้นเน่ยเจดีแปดหมื่นสี่พันวัดแปดหมื่นสี่พันวั ด, 8, 000, ว ด, 8, 000, วดบูชาพระพุทธเจ้าบ้านปลายชีวิตเหลือแค่เนี้ท่าไปพิจารณาบรรลุ ก, กันมรรู้เยอะแยะหมดเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตแต่ท่านเครียดท่านโมหกินตอนนั้นน่ะ ก็ไปเกิดเป็นเปรตงูแต่บุญท่านดีไม่ดีลูกชายเป็นผ้ามังหินท่าเดียวแล้วตามโปรโดพ้นจะอัตภาพเป็นเปรตเข้าถึงสุคติได้